คำนำผู้เขียนคืนหนึ่งประมาณกลางปีพุทธศักราช2547ผมได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักขอให้เขียนหนังสือสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งผมก็รับคำเพราะเห็นว่าเขียนหนังสือมาหลายเล่มยังไม่เคยเจาะจงจะเขียนเนื้อหาสำหรับคนใกล้ตายเลยมีแต่เขียนให้คนที่สำคัญตนว่าน่าจะยังอยู่ได้อีกนานแต่สองเดือนผ่านไป จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลานั่งคิดนั่งเขียนจริงจังวันหนึ่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาว่าป่านี้ผู้ป่วยที่ผมตั้งใจเขียนอะไรให้เขาได้ลาจากโลกนี้ไปหรื อ, อยังพอคํานวณเวลาดูก็รู้สึกว่าอาจจะสายเกินไปเสียแล้วจึงเกิดคําว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านขึ้นมาในหัวจากนั้นแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อหาทั้งหมด คอยพรางพลูตั้งแต่ต้นจนจบแบบฉับพลันทันทีอะไรบ้างน่าเสียดายถ้าด่วนตายก่อนจะได้รู้ความลับของชีวิตที่ทุกคนอยากรู้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้นั่นแหละครับที่ใช่อะไรคือความลับของชีวิตขอแค่มองอย่างเอจใจคิดจะพบว่าตั้งแต่หัวจดเท้าในตัวคุณขณะนี้และตั้งแต่เบื้องหน้าคืบเดียวที่เห็นได้ถนัดไปจนถึงขอบฟ้าเบื้องไกล ที่ไม่อาจเห็นได้ชัดล้วนแล้วแต่เก็บงำความเร้นลับไว้ทั้งสิน้นอย่างเช่นรู้เราว่าเลือดเนื้อของเราได้จากท้องพ่อท้องแม่แต่จิตวิญญาณและความแตกต่างอย่างมโหราละ่ะโตคุณและใครต่อใครได้มาจากไหนกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเรามีสามตัวเลือกใหญ่ๆ ใ, ให้เชื่อเกี่ยวกับที่มาของความแตกต่างในชีวิตคือหนึ่ง เป็นผลผลิตของความบังเอิญสองเป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาลสามเป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนหากได้รู้จริงๆเสะก่อนตายก็จะมีความหมายมากเพราะเมื่อรู้แน่แท้จริงแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเช่นถ้าเชื่อว่าชีวิตคืออาการบังเอิญฝันไปของจักรวาล พูดง่ายๆคือพวกเราเกิดด้วยความบังเอิญหนเดียวพอตายแล้วก็ดับศูนอย่างนี้ถ้าคับแค้นใจอยากฆ่าตัวตายก็ฆ่าเลยไม่ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาหรือถ้าอาฆาตพยาบาทอยากฆ่าใครก็ฆ่าเลยอยากปล้นใครก็ปล้นเลยอยากข่มขืนใครก็ข่มขืนเลยอยากหลอกใครก็หลอกเลยอยากกินล่อเมายาแค่ไหนก็กินเลยไหนๆก็ บังเอิญอยากชั่วกันแล้วและเกิดหนเดียวตายหนเดียวเสอย่างจะต้องไปกลัวอะไรเอาแค่อยู่เพื่อทำตามอำนาจความพอใจเฉพาะหน้าก็พอแต่ถ้าเชื่อว่าชีวิตถูกสร้างขึ้นโดยพระหัตถ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงมหิทธานุภาพก็จำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนพระองค์มาให้คาเฉลยว่าพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไร ตั้งศรัทธาไว้แบบไหนห้ามทำอะไรควรทำอะไรมิฉะนั้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างคนบาปผู้ไม่รู้อิโนอิเนไปจนตายและต้องถูกลงทัน่วกาลปวสารโทษฐานไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ตราไว้เป็นกฎเหล็กสุดท้ายถ้าจะเชื่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะกรรมเก่าเราจึงเป็นอย่างนี้และเพราะกรรมใหม่เราจึงอาจเปลี่ยนไป ได้ตามปรารถนาคุณก็ต้องหาใครสักคนที่น่าเชื่อว่ารู้จริงเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมวิบากและให้ดีกว่านั้นต้องบอกถูกด้วยว่าประกอบกรรมอะไรที่ให้ผลเป็นบ ร, ร ม, มสุขสุดยอดประกันความเป็นอมตะได้อย่างไม่มีทางกลับทางเปลี่ยนแล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้คำตอบที่สาคัญที่สุดในชีวิตคุณ หน้าที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือให้คำยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นั้นและนี่ไม่ใช่การอ้างถึงพระองค์ลอยๆด้วยศรัทธาส่วนบุคคลแต่ขอให้ลองมองกวาดไปทั่วทั้งโลกเถอะมีใครบ้างที่กล้าปฏิญาณตนว่ารู้แจ้งแทงตลอดมีใครบ้างกล้ารับประกันว่าทุกคนอาจพิสูจน์ทราบความจริงขั้นสูงสุดได้ขณะยังมีชีวิต ไม่ใช่ต้องให้สิ้นลมจากโลกนี้ไปเสียก่อนถึงค่อยรู้ว่าที่พระองค์ตรัสไว้เป็นจริงหรือเท็จเมื่อเราได้พระพุทธเจ้าเป็นหลักในการให้คำตอบก็อาจชวนให้สงสัยต่อไปว่าหนังสือเล่มนี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าแน่ๆกับข้อกังขานี้เราต้องมาตกลงกันคือ ผมจะอ้างอิงว่าเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาจากพระวินัยหรือพระสูตรใดในพระไตรปิฎกเพื่อให้คุณคุณนำไปเทียบเคียงดูซึ่งปัจจุบันแค่ค้นหาจาก google.com ก็พบทันทีแล้วโดยง่ายทั้งนี้ผมไม่ได้คัดลอกเอาคำของพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดแต่จะเป็นการสรุปย่อตามเนื้อความเดิมเท่าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหนาจุดนั้นๆ เพื่อไม่ให้เป็นการดึงความสนใจของคุณออกไปทางอื่นที่อยู่นอกเหนือประเด็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีใจพร้อมเปิดรับความรู้ไม่ใช่ตัวความรู้แต่เป็นคำถามในใจของคุณเองหนังสือเล่มนี้จุดพลุขึ้นมาด้วยคำถามสำคัญคือทำไมถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ตายแล้วไปไหน เมื่อพลุนำสายตาไปยังทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจึงตามด้วยคำถามสำคัญสูงสุดที่ไม่ค่อยมีใครถามนั่นคือยังอยู่และควรทำอะไรให้คุ้มกับชีวิตที่เหลือสองส่วนแรกคือเกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและตายแล้วไปไหนได้บ้างจะเป็นคำตอบที่ทุกคนอยากรู้อ่านเรียงลำดับไปได้เรื่อยๆ มีความเป็นเหตุเป็นผลมากพอที่คุณจะได้ข้อสรุปว่าคำเฉลยเกี่ยวกับการเกิดการตายนั้นควรรีบอ่านหรือฟังให้เข้าใจเสียเร็วๆก่อนจะเหลือเพียงวิญญาณที่ถามหาสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังแต่ส่วนสุดท้ายคือยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีนั้นอาจจะต้องอ่านช้าๆหรือฟังซ้ำๆและใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการทำความเข้าใจ เพราะนี่คือหลักฝึกจิตของพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานสี่ซึ่งผมนำมาเรียบเรียงอย่างย่นยอ่อเอาเพียงข้อปฏิบัติที่ทำตามได้ทันทีหมายความว่าคุณจะรู้สึกง่ายถ้าทำตามแต่อาจอ่านหรือฟังไม่รู้เรื่องหากแค่จะท่องจำผมรับประกันว่าถ้าอ่านหรือฟังด้วยทำด้วย คุณจะเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์รู้จักความสุขอันมหัศจรรย์สามารถบรรลุมรคผลตามรอยบาทรศาสดาได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความน่าพึงพอใจในการลงมือปฏิบัติจริงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังถามหาวิธีทำสมาธิที่ได้ผลทุกครั้งก็ขอได้โปรดอ่านหรือฟังและทำตามบทรู้ลมหายใจและจะพบว่าเพียงด้วยมุมมองที่ถูกต้อง สมาธิก็เกิดขึ้นง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วแล้วกับทั้งสามารถพัฒนาไปเป็นการเห็นครอบทั่วทั้งกายใจมีหลักมีเครื่องอยู่ให้สติไม่ต้องฟุ้งซ่านวกวนได้ทั้งวันซึ่งแค่นั้นแม้อย่างไม่บรรลุมักคุณก็สมควรจัดตนเองเป็นบุคคลผู้มีความสุขที่สุดในโลกได้คนหนึ่งแล้วมิใช่หรือ หากกล่าวว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปคือการเขียนใหม่เกือบทั้งหมดก็คงไม่ผิดเพราะทั้งปรับแก้โครงสร้างทั้งตัดทอนของเดิมเพิ่มเติมของใหม่ทั้งไม่มีการแยกเล่มทุกวักและทุกบทถูกออกแบบด้วยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะไม่ให้มีใครถูกขวางด้วยกำแพงความยากดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับบางส่วนของฉบับเดิม คุณไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถูกชีวิตใช้ให้ทำนูน่นทำนี่อยู่ต่างหากสิ่งที่คุณได้มาส่วนใหญ่คือขยะที่จะต้องเน่าเปื่อยตามกาลทว่ากว่าจะรู้ความจริงนี้คุณก็มักต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าในชีวิตไปจนเกือบหมดเพื่อแลกเอาขยะเหล่านั้นมาเก็บไว้นังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านขออาสานาเพชรที่มีค่า มาให้คุณพิจารณาแทนพลอยหรือกรวดหินดินทรายอื่นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเวลาในชีวิตที่เหลืออย่างน่าเสียดายอีกต่อไปหลงชื่อดังตรินธันวาคมพุทธศักราช 2,552 อ่านงานเขียนของคุณดังตรินได้ฟรีที่เว็บไซต์ dantrin com สำหรับท่านที่สนใจหนังสือสามารถหาซื้อได้ที่เซเวนทุกสาขานะครับ หรือสนใจสังส่งซื้อจำนวนมากก็ติดต่อได้ที่บริษัท CPR จำกัดนะครับโทรศัพท์026771933หรือ0836885046